มันคําว่าจงกําจัดความกําหนัดในกาลทั้งหลายเสียความว่า <c oughs> ท่านจงกําจัดคือจงปราบปรามจงละจงบรรเทาจงทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าท่านจงกําจัดความกําหนัดในกาลทั้งหลายเสียเห็นซึ่งเนคขมมะโดยความเป็นของเกษมคําว่าเห็นก็คือเห็นแจ้งเทียบเคียงพิจารณาจเจริญทําให้แจ้งแล้ว ซึ่งความปฏิบัติชอบความปฏิบัติตามสมควรความปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติทมสมควรแก่ทำความทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ การประกอบความเพียรในความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อธิบาทสีอินทรีห้าพระหโพชองเจ็อริยมรรคมีองค์8นิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานให้ท่านเห็นพระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานดังกล่าวมาเนี่ยว่าเป็นธรรม ะ, กะเกษมคือโดยเป็นธรรม ะ, กะเกษมโดยเป็นธรรมะที่ต้านทานเป็นธรรมะที่ซ่อนเร้นเป็นสาระเป็นที่พึ่งโดยไม่มีภยัย ไม่เคลื่อนไหวไม่ตายโดยเป็นธรรมะออกจันจากตันหาเครื่องร้อยรัดอันว่าสรุปให้เห็นพระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานเนี่ยเป็นความกเกษมนะเริ่มตั้งแต่ปฏิบัติในศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยคสติสัมปชัญญะโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะให้เห็นว่าเป็นของเยี่ยมจริงๆแม้กระทั่งพระนิพพานก็ถือว่าเป็นของยอดประกันแล้วกันให้ท่านละในสิ่งที่ท่านยึดเอาไวน้นะ คือที่ท่านยึดท่านจับต้องท่านถือมั่นติดใจน้อมใจไปด้วยตันหาและทิฏฐินะตัวตันหาทิฏฐิที่พาไปยึดไปชอบอะไรเนี่ยตัดให้มดฟังกันครั้ควรสลัดสลัดตันหาทิฏฐิที่ท่านยึดไว้นะก็คือสลัดปล่อยละบันเทาควรทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีคําว่ากิเลสเครื่องกังวลจะได้มีแก่ท่านนะกิเลสเครื่องกังวลคือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทูจริต กิเลสเครื่องกังวล น, นี้อยา่าอย่าได้มีคืออย่าได้ประจักษ์อย่าได้ปรากฏคือท่านจงละจงบันเทาจงทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีมันสรุปว่าท่านเห็นแล้วซึ่งเนกขมมะโดยความเป็นโดยธรรม ะ, กะเกษมคือเห็นนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานนีน่ฉันเยี่ยมยอดสูงสุดนี่แหละดีที่สุดนะนะไม่เคลื่อนไม่ตายจงกําจัดความกําหนัดในกามทั้งหลายเสียนะฉันทราคะที่มีในกามทั้งหมดไลห่หมด กิเลสเครื่องกังวลคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นที่ท่านยึดเอาไว้นะท่านสลัดไอ้เครื่องกังวลเหล่านั้นเสียแล้วก็กล่าวต่อไปว่ากิเลส ช, ชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลส ช, ชาตินั้นให้เหือดแห้งไปเครื่องกังวลในภายหลังจะได้มีแก่ท่านถ้าท่านจากไม่ยึดถือขันห้าในท่ามกลางท่านจากเป็นผู้สงบราคาเป็นต้นเที่ยวไป ตัดกิเลสในอดีตตัดกิเลส ท, ที่ยื่อใหญ่ในอดีตให้หมดตัดกิเลส ท, ที่ต้องการอนาคตให้หมดขันในปัจจุบันก็ไม่ต้องยึดด้วยตันหาและทิฏฐิเนนะแล้อย่างงี้จะสงบกิเลสเที่ยวไปได้มานะคนถามก็ถามแต่นิพพานนะนะพระพุทธเจ้าสอนให้ละสมุทัยละกิเลสแล้วท่านจะบรรลุมรรคผลนิพพานเององนั้นคำว่ากิเลสชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลสชาตินั้นให้เหือดแห้งไปความว่า กิเลสเหล่าใดพึงเกิดขึ้นปราลบถึงสังขารทั้งหลายในอดีตการท่านจงเผากิเลสเหล่านั้นให้เหือดแห้งนนคือให้แห้งให้เกรียมให้กรอบให้ไม่มีพืชจงละบรรเทาทําให้สั้นสุดทําให้ถึงความไม่มีอนนอารมณ์ทั้งหลายที่เคยประสบมาในอดีตตัดเยื่อใยในอารมณ์นั้นให้หมดซะ อันหนึ่งกรรมมาพิสังขารในส่วนอดีตที่ที่ยังไม่ให้ผลนะนะท่านจงเผากรรมมาพิสังขารเหล่านั้นให้เหือนแห้งไปนะคือกรรมที่จะให้ผลนะนะกรรมทําไว้แล้วในอดีตนะท่านต้องไม่ให้กรรมอันนั้นนําเกิดีต้องเผาไอ้กรรมอันนั้นนะไม่ให้กรรมมันนําเกิดแต่าลืมนะกรรมเนี่ยทําไมกรรมจึงนําเกิดเพราะอุปาทานเพราะตันหาท่านท่าบอกว่าให้ทําลายกรรมในอดีตก็คือให้กรรมจัดตันหาอุปาทานน่ะ ที่มีในกรรมทั้งหมดเนี่ยถ้ากําจัดตันหาอุปาทานได้กรรมที่ทําไว้แล้วในอดีตมันไม่นําเกิดหรอกเพราะฉะนั้นท่านจงทํากรรมอนนั้นให้แห้งไปให้เกรียมให้กรอบให้ไม่มีพืชจงละบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีแม้อย่างนี้เรียกว่ากิเลส ช, ชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลส ช, ชาตินั้นให้เหือดแห้งไปคําว่ากิเลสเครื่องกังวลในภายหลังจะได้มีแก่ท่านความว่าอกิเลสเครื่องกังวลในอนาคตเรียกว่ากิเลส เครื่องกังวลในภายหลังเนี่ยนะกิเลสที่หวังอนาคตอนะนะกิเลสเครื่องกังวลคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏกิเลสทุตจิตพึงเกิดขึ้นเพราะปรารบสังขารทั้งหลายในอนาคตกิเลสเครื่องกังวลนี้อย่าได้มีแล้วแก่ท่านกิเลสที่มันหวังอนาคตต่อไปนะจงละจงมันเทาให้หมดนะนะกิเลสที่มันกังวลอนาคตอ่ะคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏกิเลสทุตจิตไอตัวกังวลเนนี้จงละมันซะ ถ้าท่านจักไมย่ยึดถือขันห้าในท่ามกลางความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเรียวกว่าท่ามกลางถ้าท่านจักไม่ยึดจักไม่ยึดถือจักไม่รูปคลําไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจซึ่งสังขารอันเป็นปัจจุบันเหล่านี้ด้วยตัณหากับทิฏฐิท่านจักบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความไม่มีซึ่งความยินดีความชอบใจความยึดถือยึดมั่นนะ พราะฉะให้ตัดฉั้นทราคะในขันห้าที่มีอยู่นี้ซะท่านจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปคําว่าจักเป็นผู้สงบคือเข้าไปสงบเข้าไปสงบวิเศษดับประงับความเอ่อเพราะความที่ราคะโทสะโมหะความกโกรธความผูกโกรธริษยาตนีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอากูสลาภิสังขารก็สงบถึงความสงบสง บ, สงบวิเศษเผาเสร็แล้วดับแล้วเที่ยวไปเนี่ยนะถ้าทําได้นะหนึ่งตัดกิเลสในขันในอดีตซะ ตัดกิเลสเครื่องกังวลที่จะมีในอนาคตซะขันห้าในตอนนี้ก็มายึดถือด้วยตันหากับทิฏฐิท่านจักสงบราคะโทสะโมหะบาปอากุศลทุกชนิดเที่ยวไปคือเที่ยวไปเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาสรุปความว่ากิเลสชาติใดในการก่อนทั้งกิเลสที่ที่ไปยินดีในขันห้าในอดีตทั้งกรรมที่ทํำไวในอดีตท่านจงเผากิเลสชาติกับกรรมเหล่านั้นให้เหินแห้งไป กิเลสชาติเครื่องตังวลเนี่ยนะไอเครื่องตังวลขันห้าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะได้มีแก่ท่านถ้าท่านจะไม่ยึดถือขันห้าในท่ามกลางท่านจะเป็นผู้สงบกิเลสทุกชนิดเที่ยวไปดูก่อนพราหมณ์อาสะวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุย่อมไม่มีแก่ผ้าหันตะขีนาศพผู้ปราศจากความกำหนัดในนามรูปโดยประการทั้งปวงผ้าหันตขีนาศพคือแปลว่า ขีณาสะวานี่แปลว่าผู้สิ้นอาสะวะพระ้าหันเนี่ยนะท่านกําจัดอาสะวะอาสะวะนี่แหละมันเป็นตัวให้นําไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นถ้ากําจัดอาสะวะได้แล้วก็พ้นจากความตายคําว่าสัพโซคือเรียกว่าโดยประการทั้งปวงคือไม่มีส่วนเหลืออรูปประขันสีชื่อว่านามมหาภูตรูปสีและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสีชื่อว่ารูป ฉันความกำหนัดในนามและรูปเหล่านี này, ้เนี่ยไม่มีแก่ผ้าหันตะขีนาศพโดยประการทั้งปวงนะเพราะผ้าหันตขีนาศพเนี่ยปราศจากความกำหนัดในนามและรูปเนี่ยนะไม่มีนามรูปอันใดเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราค้าของผ้าหันตะขีนาศบเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในนามรูปคือมีความกำหนัดในนามรูปไปปราดแล้วมีความกำหนัดอันสละแล้วสํารอกแล้วปล่อยแล้วละแล้วสละคืนแล้วปราศจากความยินดี คือมีความยินดีไปปราดแล้วมีความยินดีอันสละแล้วสำโรคแล้วปล่อยแล้วละแล้วสละคืนแล้วในนามรูปโดยประการทั้งปวงอาสวะสี่คือกามาสวะภาวสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะไม่มีแก่พระอรหันตคีนาศเพราะว่าอาสวะเหล่านี้ย่อ ม, ไ ม, มไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่พระอรหันตคีนาศ คือพระอาหารหันต์ะคีนาศเหล่านั้นเนี่ยละอาสวะได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระ ง, งับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะไอ้อาสวะที่เป็นเหตุให้ถึงความแก่และความตายเนี่ยนะอาสวะที่นําให้ถึงความตายเนี่ยคือพาไปสู่อานาจมัจจุมรณะหรือว่าอาสวะที่ ตกอยู่ในพวกพ้องของมารเนี่ยนะอาสะวะเหล่านั้นย่อมไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่พระอรหันตะขีนาศนั้นอาสะวะเหล่านั้นอันพระอรหันตะขีนาศเหล่านั้นละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานสรุป ว่าคาถานี้สําหรับพระอรหันต์ว่าดูก่อนพรามอาสะวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงความตายย่อมไม่มีแก่พระอรหันตขีนาศผู้ปราศจากความกําหนัดในานามรูปโดยประการทั้งปวงท่านผู้ที่สิ้นความกําหนัดในานามรูปโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือผู้สิ้นอาสะวะเวลาจบเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ผู้สั่งสมบุญมาก็บรรลุมักสาผลสามเบื้องล่าง น, นะท่านชตุกันณีมานอบกับสิทธิของท่านบรรลุเป็นพระอรหันต อันนี้ก็ข้อความในชะุกันนีมานพจบนั่นะ